มนุษย์ไม่มีการศึกษาสู้แต่สัตว์ธรรมดาก็ไม่ได้แต่พอมนุษย์ฝึกตนดีก็ประเสริฐยิ่งกว่าเทวดาพระพุทธศาสนาจะช่วยสังคมโลกได้อย่างไรก็ต้องนำตัวเองให้เข้าสู่หลักการที่ถูกต้องเสียก่อนจับหลักของตนให้ชัดหลักการของพระพุทธศาสนาคือไตรสิกขาหรือไตรศึกษา ทำไมพระพุทธศาสนาจึงถือหลักตรายสิกขาเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์พิเศษเราเรียกกันว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกตังหากและตรัสอีกตอนหนึ่งว่ามนุษย์ที่ฝึกแล้วจึงเป็นสัตว์ประเสริฐ ไม่ว่าจะอย่างไรเพิ่มตนต้องกำหนดให้ชัดว่าหลักพระพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกเรียกว่าธรรมะในที่นี้สะกดด้วยทอทหารไม่หันอากาศมอมา้ามอม้าสร ะ, ะนะครับและเพราะเป็นคนที่เรียกว่าบุริษธรรมะธรรมะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึก คำนี้จึงมาอยู่ในพระพุทธคุณเก้าประการว่าอนุตตรโรพริสัธรรมสารถิพระพุทธเจ้าเป็นสารติฝึกบุรุษคือคนที่ต้องฝึกหรือพึงฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าแสดงถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกฝึกคือต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องพัฒนาพูดสั้นๆว่าต้องศึกษานั่นเองถ้าไม่ฝึกฝนพัฒนาแล้ว มนุษหามีความประเสริฐไม่เพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่โดยลำพังถ้าไม่มีการฝึกฝนพัฒนาแล้วสู่สัตว์ชนิดอื่นไม่ได้เลยสัตว์ชนิดอื่นอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณเกิดมาจากท้องแม่วันนั้นก็เดินได้ไว่ายน้ำได้หากินได้แต่มนุษย์นั้นเกิดมาถ้าทิ้งก็ตายทันทีเลี้ยงมาตั้งปียังช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ไม่รอด ตลอดเวลาหนึ่งปีนั้นต้องเรียนรู้ทุกอย่างต้องฝึกทุกอย่างกินก็ต้องฝึกนอนก็ต้องฝึกนั่งก็ต้องฝึกเดินก็ต้องฝึกขับท้ายก็ต้องฝึกพูดก็ต้องฝึกทุกอย่างที่มนุษย์ได้ใช้ดำเนินชีวิตอยู่มนุษย์ไม่ได้มาเปล่าๆแต่ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องฝึกฝนพัฒนาทั้งสิ้นในแง่นี้มนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่เสียเปรียบแพ้สัตว์ทั้งหลายอื่น แพะสัตว์เดรัจฉานทุกชนิดสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายนั้นไม่ต้องฝึกมันเรียนรู้อยู่ได้โดยสัญชาตญาณอันนี้เป็นข้อเสียเปรียบของมนุษย์มนุษย์ไม่ฝึกไม่เรียนรู้ไม่ศึกษาอยู่ไม่ได้เลยแต่ข้อที่เสียเปรียบนี้กลับเป็นข้อที่ได้เปรียบของมนุษย์เพราะว่าพอมนุษย์ได้ศึกษาฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้ขึ้นมาคราวนี้มนุษย์ก้าวหน้าเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด สัตว์ทั้งหลายเกิดมาด้วยสัญชตาตญาณอย่างใดก็ตายไปด้วยสัญชตาตญาณอย่างนั้นอยู่แค่นั้นเองแต่มนุษย์นี้ตรงข้ามฝึกยังไรได้อย่างนั้นถ้าเราไม่หยุดการฝึกเราก็จะเลิศล้ำเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเศธโถมนุเสเสสุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐ พระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ฝึกแล้วจึงประเสริฐต่างหากพระองค์ไม่เคยตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเฉ ย, เยมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกหรือมนุษย์ที่ฝึกแล้วจึงเป็นสัตว์ประเสริฐพอมนุษย์ฝึกแล้วก็ประเสริฐล้ำเลิอดยิ่งกว่าสัตว์อื่นใดมิใช่แค่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั่วไปธรรมดาแต่มนุษย์ที่ฝึกดีแล้วประเสริฐกว่าเทพเทวาทั้งปวงด้วย แม้แต่เทพเจ้าและพระพรหมก็น้อมนมัส ก, การมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วนั้นมีคติพุทธภาษิตเตือนใจเราอยู่เสมอให้มีกำลังใจที่จะศึกษาพัฒนาตนและทำการต่างๆด้วยความเพียรพยายามอย่ามัวไปอ้อนวอนหวังพึ่งเทพเจ้าอยู่เลยอันมาศึกษาพัฒนาตนนี่แหละเมื่อเราศึกษาพัฒนาตนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ต่อไปเทพเจ้าตลอดถึงพระพรหมก็ต้องน้อมนมัสการเราไม่ได้ปิขม่มขูหรือดูถูกท่านนะท่านเห็นคุณความดีของเราแล้วก็ยอมน้อมนมัสการเองดังนั้นจึงมีคติในพระธรรมบทและในพระคถาต่างๆอันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามากแห่งที่ตรัสทํานองนี้ลองไปสํารวจดูเถอะจะพบคตินี้ที่ถือว่า บุคคลผู้ได้ฝึกฝนตนศึกษาดีแล้วเทวดาทั้งหลายและพระพรหมก็น้อมนมัส ก, การยังคถาหนึ่งกล่าวถึงพระพุทธเจ้าว่ามนุษย์สภูตังสัมพุทธทังอัตทันตังสมาหิตังเปเทวาปิตังนมัสสันติบอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์แต่ฝึกพระองค์ดีแล้ว อบรมพระหาฤทัยถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการอีกคถาหนึ่งกล่าวถึงพระสาวกว่าทิศวาวิจิตตสังขามังสัมมาสัมพุท ธ, ธาสาวกังเทวาปินมัสสันติเปแปลว่าเทวดาทั้งหลายเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชนะสงครามแล้วย่อมน้อมนมัสการ ฉะนั้นวิชาเจรณะสัมปันโนโสเศโธเทวามนุษเ์ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และทวยเทวาเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การฝึกมนุษย์ฝึกได้ไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นฝึกตัวเองไม่ได้ถ้าจะฝึกต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ จะเป็นช้างเป็นมา้าหรือสัตว์อะไรที่เก่งๆมนุษย์ก็ฝึกเอามาใช้เอามาเล่นละครสัตว์ฝึกลิงขึ้นต้นไม้เก็บมะพร้าวได้ฝึกช้างให้ลากสุงได้แต่สัตว์เหล่านั้นฝึกตัวไม่เป็นและถึงแม้มนุษย์จะฝึกให้ก็มีขอบเขตจํากัดอีกพอฝึกถึงขนาดหนึ่งก็จบเท่านั้นไปต่อไม่ได้ส่วนมนุษย์นี้ฝึกได้ไม่มีที่สิ้นสุด มนุษย์ที่ฝึกดีมีชีวิตที่สิขาเรื่อยไปในกระบวนบูรณาการที่ครบทุกด้านเต็มทั้งคนน่าเสียดายว่ามนุษย์ส่วนมากฝึกพออยู่ได้ตามความจําเป็นรอตอนแรกจําเป็นต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องฝึกกันไปเรียนรู้เท่าที่จาเป็นไม่ได้ตั้งใจไม่มีหลักการได้แค่ความเคยชิน แล้วเมื่อฝึกอเป็นอยู่ได้แล้วก็หยุดฝึกแค่นั้นเพราะฉะนั้นจึงพัฒนาไม่ได้ดีเท่าที่ควรพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วตรัสสอนให้สำนึกว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกจะมีชีวิตอยู่ดีได้ด้วยการฝึกจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเราสำนึกตรหนักในความสำคัญของการฝึกพัฒนาตนนี้แล้ว ตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอโดยมีหลักการในการฝึกก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีเลิศประเสริฐลำ้ำพระพุทธเจ้าประธานหลักการในการฝึกฝนพัฒนาตนนี้เรียกว่าไรสิขาเป็นการฝึกหรือศึกษาที่เป็นระบบบูรณาการครบทุกด้านของชีวิตหรือทั้งตัวคนเป็นไปอย่างมีดุลยภาพสิขาคือการศึกษานี้ ไม่ใช่ฝึกสุ่มๆไปพอให้ชีวิตอยู่เป็นคนได้อย่างที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วเพราะจาเป็นต้องกินก็ฝึกกินจําเป็นต้องนอนก็ฝึกนอนจําเป็นต้องพูดก็ฝึกพูดได้แค่เท่าที่จําเป็นเอาพอทำได้ไม่ถึงขั้นทำได้ดีเลยได้แค่เป็นอยู่ไปตามความเคยชินไม่เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตลอดเวลาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นอันว่ามนุษย์นี้หลักการสําคัญอยู่ที่การฝึกฝลพัฒนาเวลานี้การที่มาเน้นกันในเรื่องการพัฒนาคนก็เป็นการเข้ามาสู่แนวทางที่ถูกต้องแต่หลักการและระบบกระบวนรวิธีในการฝึกคือระบบการศึกษาพัฒนาคนนั้นจะถูกต้องหรือยังเป็นข้อที่จะต้องพิจารณากันอีกเราบอกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยฉบับที่แปดที่เรียกง่ายๆว่าแผนแปดเนี่ยเน้นการพัฒนาคนก็ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาดีแล้วแต่คงไม่จบเท่านั้นเราต้องมาดูอีกว่ากระบวนการพัฒนาคนหรือการศึกษานั้นถูกต้องหรือไม่อันนี้เป็นข้อที่จะต้องพิจารณากันให้จริงจังและคิดว่า นี้เป็นจุดที่พระสงฆ์เราควรจะช่วยประเทศชาติของเราได้และไม่ใช่ช่วยเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแม้แต่สังคมโลกเราก็ช่วยได้ขอให้จับจุดกันให้ถูกนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ผิดพลาดแน่นอนเรื่องนี้เคยพูดไว้ที่อื่นมากแล้ววันนี้เพียงขอโอกาสยกขึ้นมาย้ำไว เพราะว่าถ้าเราได้หลักการที่ถูกต้องแล้วก็ควรจะเอาจริงเอาจังกันเสียทีเหตุการณ์ร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเป็นสัญญาณปลุกเตือนภัยเรามากพอสมควรแล้วถ้าขืนปล่อยไว้มัวนอนกันต่อไปก็คือตกอยู่ในความประมาทเมื่อตกอยู่ในความประมาทก็คือความเสื่อมและพินาศนั่นเอง